ตอนมนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่สแสวงหาความหมายวันที่25กันยายน2559ก่าวนมัสการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณเมชีกัละมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ก็รู้สึกจะมีคำถามนิดนึงแล้วก็คำบอกเล่าบางอย่างนะ เนื่องจากร่างกายมีอาการเจ็บป่วยจึงขออนุญาตหมุนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยก่อนอันนี้ไม่ใช่คำถามนะเป็นคำบอกเฉยว่าฉันมาที่นี่เพื่อจะรักษาโรคโรคอย่างอื่นไม่สำคัญนะโรคอุปทานเรามัวจะไปรักษาร่างกายนะรัก ร, ร่างกายอย่าไปรักษามันเวียงมันทิ้งสักวันหนึ่งมันจะทิ้งเราเราต้องทิ้งมันก่อนนะ รักษาโรคอย่าไปรักษาโรคเบี่ยงโรคทิ้งรักษาชีวิตนี่คือโรคอุปทานทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะห่วงนวลห่วงนี่นะมุ่งจะมานั่งหมุนให้มันรักษาโรคเรามีเจตนามีเป้าประสงค์มันไม่มีพลังที่นี่ไม่รักษาโรคที่นี่เรามาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกโรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตายแล้วไม่จบคือโรคทุก ส่วนโครคภัยไข้เจ็บนี่เรื่องเล็กมะเร็งเรื่องเล็กตายแล้วไปเผามันก็จบแล้วนะแต่โรคทุกนย่งมันข้ามพบข้ามชาติเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องแล้วนะอันนี้เป็นอุปท า, านนีถึงทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไงจิตไม่มีพลังเพราะกังวลมากเกินไปมีแต่หาวิธีรักษามันไม่มาปฏิบัติปลดปล่อยให้จิตอิสระจิตเขาดูแลเองนะ พราะกูพูดบ่อยๆไม่พิจารณาไม่ตัดสินไม่มีเป้าประสงค์อันนี้บอกเลยมีเป้าแล้วก็ไม่ใช่คือบอกเลยว่ามาที่นี่ฉันจะมารักษาโรค ก, ก่อนไม่ได้ถามนะอันนี้มาบอกพ่อครูเฉยๆก็รักชอบยังไงก็ทําการยืนหมุนเป็นวงกลมมีวิธีเริ่มต้นอย่างไรเทคนิคการทรงตัวไม่ให้เอียงหลุ ทำอย่างไรไม่มีวิธีไม่มีเทคนิคไม่ใช่วิชาสอนนะลองทำดูไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทำเลยนะแต่อย่าตั้งใจเหมือนข้อแรกว่าฉันจะมาปฏิบัติที่นี่เพราะฉันรักษาโรคจิตไม่มีพลังลึกๆมันแฝงด้วยความกลัวความอยากอยู่อยากหายไงนะไม่ใช่หายจากโรคนะต่อไปหายจาก สมโลกกธาตุนั่นคือเป้าหมายของเราเราทุกข์เพราะอย่างนี้นะอุ้ยเป็นโน่นฉันเป็นนี่เพราะเราไม่อยากเป็นนะพะมันเป็นปุ๊บ ก, ก็เลยทุกข์ไงวางมันพลังจิตมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจิตมันจะดูแลเองนะมันคือผลพลอยได้เท่านั้นเองไม่ใช่ตั้งใจหาวิชานวนวิชานี้เพื่อจะรักษาตัวเองมันไม่ก้าวหน้าหรอกมันได้แค่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังที่เมื่อคืนฉายให้ดูนะได้แค่กายภาพบําบัด จิตมันไม่บาบัดเพราะว่าจิตไม่อิสระเพราะมันลึกๆมันแฝงด้วยอามิตรประดับเพื่อจะอั น, นั้นเพื่อจะอย่างนี้นะมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นเป็นการกระทำเพื่อจะรักษาโลกจิตไม่มีพลังข้อที่สามกราบขอรับพัดลมค่ะมันร้อนเหมือนกาน้ําร้อนที่กำลังเดือดจัดรูระบายไม่พออันนี้ก็อุปทานไง ร้อนนักก็มมักอ่างว่าเย็นนักก็มักอ่างว่ามันถึงเป็นโรคไงนะเดี๋ยวให้นอนนอนตากแดดนะกลัวผีไปนอนป่าช้าเราต้องฝืนกิเลสเราไม่ใช่สนองมันตลอดเวลามันไม่มีพลังเนอะไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะเนี่ยสี่ถ้ามีคนเข้ามากวนในจิตบ่อยๆมาหาบ่อยๆจะต้องทำอย่างไรบอกพ่าครูหน่อยใครเข้าไปในจิตได้ กูจะไปกราบเขาเราเนี่ยเอาเขาเอามาคิดเองเนี่ยแสดงว่าเป็นอุปทานอย่างแรงเนาะเบี่ยงทิ้งทั้งหมดร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไปรักษามันไว้ทําไมเดี๋ยวมก็ตายจากเราละเห็นไหมโรคไม่ต้องรักษาตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่มาจากโรงพยาบาลอยู่นะนะตอนนี้โรงพยาบาลที่ไหนบ้างมีห้องตรวจคนมีแต่ห้องตรวจโรค มีแต่รักษาโรคไม่ได้รักษาคนมันเป็นธุรกิจนิยมนะหมอในอดีตเห็นคนไข้ทุกวันหมอปัจจุบันนี้เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคากั่นี้คนนี้ไม่เห็นมีเงินไม่เห็นหมอตอนนี้เป็นธุรกิจการแพทย์เออดีว่าโรงพยาบาลรัฐธงบาลเรายังเออรักษาฟรีไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เอกชนมันเป็นธุรกิจหมด เอาความทุกยากความไม่สบายของเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความรวยกรรมนะหมอหลายท่านมาอยู่ที่นี่มาปฏิบตัติบอกพวกครูว่าเฉลี่ยอายุห้าปีตายละทําไมหม อ, อยายุสั้นหมอเป็นเรียนรู้วิชารู้เรื่องสุขภาวะมากที่สุดทําไมบริหารชีวิตตัวเองให้ยั่งยืนไม่ได้ไม่ใช่หมอดีไม่ดีนะแต่กระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นธุรกิจเขาลําบากอยู่แล้ว เขาทุกข์กับทรมานกับความเจ็บปวดยังไปแบกภาระเศรษฐกิจเขาอีกไม่มีเมตตานี่เป็นกรรมนะเคนไหนเข้าไปในจิตเราได้หน่อยบอกพระครูหน่อยเขาพูดอะไรก็สัตว์แต่ว่าได้ยินไงเราเอามาคิดทำไมก็ฝึกทุกวันทุกวันเพราะว่าเราไม่ตั้งใจฝึกทั้งเร่ฟังเพราะฉันมุ่งมั่นจะรักษารักษาโลกไงเราก็เลยไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรเลยไงปัญญามันไม่เกิด จิตมันไม่อิสระมันไม่มีพลังหรอกนะก็เหมือนเมื่อคืนเนีเราดูคลิปฉายคลิปให้ดูเห็นไหมที่ฝรั่งคนตะวันตกเนี่ยเขาเช็คกิ้งนะเขาไปเรียนที่เมืองจีนจริงแล้วที่อินเดียก็มีนะเช็คกิ้งมันเป็นมันเป็นมันเป็ น, น, ปนาศาสตร์หนึ่งของโยคะ <c oughs> แต่เมื่อคืนเขาไปยังไงไหมเขาก็เช็ นะเขาก็สั่งการมันเดี๋ยวขาซ้ายดีดขาซ้ายเหมือนท่าหมาฉี่อ่เดี๋ยวขาขวามันก็หมดทั้งนั้นแหละแต่มันได้กายภาพบำบัดนะมันยังมีการกระทำอยู่มันเป็นวิชาทุกคนทำเหมือนกันหมดแล้วทีนี้มาดูของเราเมื่อคืนนี้ที่เราทำอะไอเช็คแอนด์แดน เห็นคือมันแป๊ บ, บ ก, กันมาพ่อคูต้องโนดนะทุกวันนี้พกก่อคูไม่เคยลืมอะไรเลยยี่สบกว่าปีแล้วเนี่ยพราพกก่อคูไม่เคยจำอะไรเลยมันเลยไม่ต้องลืมถ้ามันจำเป็นต้องเอามาพูดก็ก็บันทึกไว้ทีนี้อย่างเมื่อคือนเนี่ยคลิปการเช็ค ก, กิ้งของคนตะวันตกะสะท้อนให้เห็นมุมมองที่ทำอะไรแบบแยกส่วนเหมือนการฝึกสมาธิจเจริญสติ ระดับสมถมะกรรมาฐานคือมีการสั่งการควบคุมแยกซอยเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นขั้นเป็นตอนมีรูปแบบและหลักการที่แน่นอนตายตัวแยกเป็นวิชาวิชาต้องมีการศึกษาเรียนรู้และต้องปฏิบัติตามเส้นทางที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่ภายใต้กรอบที่กําหนดอันนี้เป็นวิชาฝึกสมาธิจเจริญสติมีการสั่งการนะมีการเพ่งดู นะมันยังมีการกระทําเกิดขึ้นนะส่วนเช็กแอนดแดนที่ศูนย์พลานข่อยที่ฉายให้ดูเมื่อคืนจากเทพธิดานางฟ้านะกลายพันธุ์มเป็นลิงสี่ตัวจัดปาร์ตี้กันแล้วเต้นอยู่ ใ, ใกล้ๆกันด้วยมันดึงเข้าไปหากันนะแอคชั่นที่แสดงออกมาและอารมณ์ซึ่งเป็นลิงถามว่าอัตตาบุคลิกภาพ และมารยาทศักดิ์ศรีมันยังกล้าอยู่กับลิงหรือเปล่าะมันไม่กล้าอยู่มันรีบหนีเลยนะเพราะมันอายอะ่ะเห็นไหมเหรแต่ที่เขายืนเช็คแบบนั้นก็ยังมีอัตตาเนะเขาเก่งว่าเขาทำได้นะมสมองสั่งแต่เมืม่อเมื่อคืนนีลิงสี่ตัวเต้นนะถามว่าอัตตาศักดิ์ศรีมารยาทมันยังกล้าอยู่กับลิงมมันหนีหมดแล้วนั่นคือความอิสระ ถ้าจิตไม่อิสระมันทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามันยังใช้สติข้างนอกเนี่ยมันจะติดส ม, มุติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมมารยาทความสวยงามมันไม่ทําไม่ได้หรอกอันนี้มันจิตอิสระแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอินไซ์เอาจิตมันสั่งเลยอะมันไม่มีมารยาทเพราะมารยาทไม่กล้าอยู่กับมันแล้วมันกลัวลิงมากอัตตาก็ไม่กล้าอยู่กับลิงแล้ว นี่คือความอิสระนี่คือมหาสติปัฏฐานนะที่เขาฝึกเช็คติ้งแล้วเ ข, เขาสั่งการเดี๋ยวขาขวาขาซ้ายอะไรเนี่ยเป็นการเอ็กซ์ไซส์ผ่อนคลายร่างกายเนี่ยนะอยูนะ่ในฐานกายฐานเวทนาเวทนายังอยู่ที่ใจเป็นส่วนหนึ่งของฐานกายตาหูจมูกลินกายใจมันเป็นออจตนามันเป็นส่วนของกายส่วนเมื่อคืนลิงเขาสี่ตัววิ่งเนะี่ยมันอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรม ทำอารมณ์อยนั้นเน่ยมันเป็นอารมณ์ลิงใช่ไหมที่ผ่านมาพราะครูแอบดูทั้งหมดอ่ะบางช่วงอารมณ์ก็กลายเป็นนางฟ้าใช่ไหมเป็นกวนอินเป็นเทพธิดาอยู่ๆปุ๊บกลายพันธุ์เป็นลิงได้อะไรจำเป็นเป็นอย่างนั้นได้ชั้นใดชั้นนั้นเรามีอารมณ์ทุกข์อยู่ถ้าเรามาทําตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสุขมันจะเปลี่ยนเป็นสุขแล้วใครเปลี่ยน สมองเราเปลี่ยนไหมถ้าสมองมันเก่งมันทําให้ตัวเองทุกข์ทำไมมันก็สั่งอย่าทุกข์อย่าทุกข์มึงอย่าเครียดนะยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งสั่งก็ยิ่งเครียดจิตอิสระแล้วเนี่ยเขาพยายามจะปลดปล่อยสลัดตัวตนอัตตาเราออกไปหมดนะนั่นแหละอัตตาบุคลิกภาพและมารยาศักดิ์รีต่างๆมันยังกล้าอยู่กับริงหรือเปล่าแบบนี้ถามว่า จริตจริงๆเป็นแบบไหนเราบอกว่าติดจริตทุกคนอ้างจริตฉันชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วจริตเมื่อวันก่อนเพิ่งเป็นเทพธิดานางฟ้าอยู่แล้วตอนนี้เป็นลิงและไอ้จริตที่เป็นเทพธิดานางฟ้ามันหายไปไหนถ้าจิตไม่อิสระเราก็ถูกจริตเรานั่นบล็อกไว้ตลอดชีวิตถ้าคนไหนเอาจริตตัวเองไปอ้างจริตตัวเองมาจี้ตั้งเออฉันไม่ชอบฉันชอบจะทำดีกับน่านอะ คนคนนี้ไม่มีวันอิสระและไม่มียานรู้ที่จะเห็นจริตคนอื่นพระถูกจริตตัวเองครอบไปผ้าพับไว้แบบเทพธิดานางฟ้ากลับกลายมาเป็นความอิสระลื่นเลงอย่างลิงอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือดังที่สัมผัสได้ด้วยตาเนื้อที่เราเห็นกันนั่นแหละนะเมื่อคืนพักกูก็เห็นพักกูปุ๊กปุก ถ่ายช็อตนี้ให้ปู่กูนหน่อยหนึ่งเห็นไหมใช่แล้วเรามาดูกันมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำทำไมยิ่งเป็นไม่ชี้ด้วยเห็นไหมพูดถึงมารยาทหายไปไหนความสำรวมหายไปไหนเห็นไหมมันข้ามพ้นทนนี่หมดแล้วละ่ะเมื่อจิตอิสระแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่ติจลิต ถ้าคนยังมีจเจลีดแต่นุชยนี่อยู่แล้วยังมีอัตตาอยู่ ท, ท, ทําตามเจลีดด้วตัวเองชอบยังตัดสินใจด้วยอคติแต่เมื่อจิตมันยิสลาแล้วมันไม่มีเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเห็นไหมมันเป็นไปตามเหตุแลปะปัจจัยในธรรมในธรรมในธรรมลมเวลานั้นและเขารู้ว่าเวลานี้นะ่ะร่างกายตรงไหนมันบกพร่องดินน้ําลมไฟตรงนั้นมันไม่ ผิดปกติเดี๋ยวมันปรับสมดุลให้เรามันก็คือเราเราก็คือมันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ถ้ามาคิดปุ๊บท่านจะมานั่งเช็คนั่งนั่งเบียงเยอเฉยเพื่อจะจะรักษาโลกมันก็ได้ระดับสมัมมาทาได้แกค่แต่กายภาพ บ, บรรบาดมันไม่เกิดปัญญาเพราะเรามีเป้าหมายมาแล้วเนี่ยเราไม่เปิดหูเปิดฟังว่าที่นี่เขาทําอะไรอยู่เราก็ได้แค่ที่เราทําได้นั่นแหละเราจะพลาดโอกาส นั่หลกคนยึดมั่นถือมั่นในจริตในความต้องการตัวเองเลยมองไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะเอาความชอบไม่ชอบของตัวเองมาเป็นตัวตัดสินผู้ปฏิบัติพึงเห็นและสัมผัสได้ด้วยตนเองอธิบายโดยผ่านภาษาให้เข้าใจอารมณ์นั้นย่อมไม่ตรงตามความเป็นจริงนะอย่างเพราะว่าพวกวักูเชิญ บทที่แสดงลิงถึงเมื่อคืนสี่คนเนี่ยมานั่งตรงนี้พูดให้เพื่อนฝูงเราฟังหน่อยหนึ่งว่าอารมณ์เวลานั้นมันเป็นยังไงภาษาพูดปุ๊บมันหยาบเกินไปไม่ไม้สามารถอธิบายอย่างนั้นเราต้องไปสัมผัสเองนี่แหละเป็นปัจจตังเวทิตะโพวินยุยเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนแต่องความรู้ทุกวันนี้นะนะมันเตรียมเป็นแบบเหตุผลแบบตักกะ คนที่หลงติดในจดิตที่ตัวเองชอบและชอบอ้างจริตเพื่อตามสิ่งที่ตัวเองชอบย่อมไม่มีทางที่จะได้รับอิสรภาพตราบใดที่ยังถูกครอบงาด้วยจริตที่ไปยึดติดก็ไม่มีญาณอย่างรู้จดิตคนอื่นเราเคยฝึกมาแบบนี้แล้วเราก็ก้าวหน้าระดับหนึ่งใครมาปุ๊บเราก็สั่งให้เขาทำเหมือนเรา มาใหม่ใช่ไหม A B C กอไก่ขอไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเราจะจลิญตัวเองนี่ไปบังคับให้คนอื่นทําเหมือนเราเพราะเราเองยังถูกจริตเราครอบงําอยู่เรายังเข้าไม่ถึงนานาจิตตังนะเหมือนเจริตที่เราไปยึดติดทําให้เราเกิดทุกทุกวันนี้เราทุกเพราะเจริตเราล่ะฉันชอบอย่างนี้เอาตัวนี้มาให้ฉันทําไม มันไม่ใช่จริตชั้นแล้วก็ไปทุกเพราะว่ามันไม่ใช่จริตชั้นเห็นไหมถ้าเราข้ามพ้นจริตไม่ได้เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้คนที่อ้างจริตเนี่ยเป็นคนที่มีอัตตามากเอาอัตตาเอาจริตตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความคิดเอาความเชื่อของตัวเองความชอบตัวเองเนี่ยไปมองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะไม่เห็นความเป็นจริงนะ การเช็คต <ran> ิ <check> ้ง <ing> ของตกวันตกอยู่ในฐานกายฐานเวทนาส่วนเช็คแอนดานที่เราปฏิบัติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมกิริยาที่แสดงออกมาจากข้างในเรียกว่าอินไซต์เอาออกมาจากข้างในเป็นตัวปัญญาไม่ใช่เทคนิคความรู้ที่เราสร้างมันขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้คำถามแรกว่าใช้เทคนิคอะไรที่ยืนหมุนอะไรเราเรียนรู้แบบวิชาการแบบนั้นนะบางคนมาฝึก เข้าจิตได้ระดับหนึ่งออกไปโอ้นะคนเรามันทุกข์กายอยู่แล้วจะให้ปฏิบัติทาได้ยังไงมันต้องรักษาร่างกายก่อนอย่างนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกเห็นไหมยังติดบ่วงคุณแค่ปฏิบัติแค่ปูปะป่ปป า, ปาแล้วคุณก็ไปพูดอย่างนั้นแล้วไปสอนให้คนอื่นก็คิดแบบนั้นด้วยมันก็เลยเข้าไม่ถึงคุณไม่สามารถสละจะสัมผัสความอิสระนะ ถ้าคุณไม่ทำลายจริญตัวเองเนี่ยคุณก็ไม่สามารถมียานรู้จริตคนอื่นสติปฐานทั้งสี่เนี่ยต้องบริบูรณ์นะฐานทั้งสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องบริบูรณ์พวกคูพูดเรื่องนี้ไม่รู้ยี่สเจ็ดปีเป็น้อยครั้งแล้วล่ะแต่ต้องพูดอีกพูดอีกเพราะพวกทุกเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ นะโดยเฉพาะอาณาปานะสติสูตรเนี่ยเพ ก, กูพูดสูตรนี้บ่อยๆพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดมาหลายสูตรโดยเกินเยอะมากนะแต่เนื่องจากสิ่งที่เราทำเนี่มันอยู่ในหมวดนี้ด้วยนะสติอาณาปานะสติเนี่เป็นหนึ่งในอนุสติ10เป็นแค่อนุสติใน40กองกรรมฐานเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งกองนะไปฝึกอนุสติ แต่เขาสามารถพัฒนาไปสู่มหาสติปฐานได้พุทธองค์ตัดกับสาวกว่าดูกนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ตอนนี้เราอยู่ขวาซ้ายอยู่ในฐานกายอธิบทกายอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยลมหายใจก็ไม่ใช่กายด้วยนะ แต่เป็นของนอกไกลที่มันเป็นพลังชีวิตเราต้องอาศัยมันนะ่ะนะมันอยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเรากเอาวลมหายใจนะ่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการกำหนดนั่นคือฝึกสมถะกรรมาฐานฝึกอนุสติลมหายใจเรียกว่าอานามันเป็นอากาศเราต้องพัฒนาอาณากายเป็นปลาณะขึ้นมาเป็นปลานเหมือนคนจริงก็ฝึกไถ้เกบผูกทีกงให้มันเกิดลมปานขึ้นมานะเมื่อ เราขับเคลื่อนลมปานมันเกิดขึ้นแล้วที่นี่มันก็หมุนไปเรื่อยเรื่อยเลือดลมก็วิ่งไปเรื่อยถ้าขั้นตอนนี้ภูมิคุ้มกันเราก็เกิดระดับหนึ่งโรคภัยแค่เจ็บบางบางโรคในตัวเราเนี่ยแค่นี้ก็หายแล้วนะมันปรับสมดุลของมันพลังลมปานเนี่ยเมื่อมันวิ่งปุ๊บมันก็ทําให้เลือดเนี่ยขับเคลื่อนคนเราถ้าเลือดกับลมมันดีแล้วภูมิคุ้มกันมันก็เกิดนะนี่คือ จิตมันบำบัดแต่ถ้าโลกบางอย่างเนี่ยมันรุนแรงเพราะเราไปฆ่าเข้ามาต้องแลกด้วยชีวิตไม่ใช่ฆ่าตัวตายแล้วก็จบนะเราฆ่าเข้ามาเราเป็นขุนศึกฆ่าเข้ามาพันคนฆ่าตัวตายอันนี้กรรมใหม่กรรมหักด้วยนะเห็นไหมเออแค่หนึ่งอีกพันคนอีกเก้าร้อยกว่ามันไปไหนไล่ตัวฆ่าตัวตายนี่เป็นกรรมหนักด้วย มันเป็นตัวเริ่มต้นต้องไปจ่ายหนี้กรรมไม่ใช่ฆ่าอย่างนั้นนะบางอย่างเราต้องตายในกรรมฐานนะเราก็รีไวทยเขาไปในจิตใต้สำนึกเราไปจ่ายหนี้กรรมในทางจิตเราจะสัมผัสความตายจริงๆเหมือนเราตายจริงๆเหมือนเราเจ็บจริงๆมันเป็นธรรมอรมนะมันไม่ต่างอะไรอยู่ข้างนอกเราขับรถไป เด็กขี่มอไซค์ไปเขาชนตึ้งขาหักนั่งร้องไห้หัวแตกนั่นแหละทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากนั้นแหละเป็นจ่ายนีิกรรมความเจ็บรู้สึกเจ็บตรงนั้น เ, นเมื่อเขาเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าเจ็บหัวแตกขาหักลเลยน่ะจ่ายดอกเบีย้ยถ้าเราไปเจ็บในกรรมฐานเนี่ยจ่ายขึ้นต้นด้วยและบางครั้งเราต้องตายในกรรมฐานลิ้มรความตายจริงๆเหมือนเราตายจริงๆ มันไม่ตางกันเราต้องจ่ายนี้กรรมโดยความรู้สึกทุกข์นะถ้าแค่อาณาปนาสติแค่ลมปานมันเดินเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ได้จ่ายนีิกรรมเพียแต่ว่าไอต้ตรงนี้มันก็ปรับสมบุรณ์ของเลือดลมมันวิ่งแล้วก็ปรับสมบุรณของธาตุสี่ทำให้ภูมิคุ้กันเราเกิดนะอาณาปาณสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้ว นะย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจให้บริบูรณ์ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราอยู่ในฐานกายการเคลื่อนไหวของกายลมหายใจนะไปเพ่งกายไปเพ่งเวทนาไปนั่งดูจิตบ้านหลังนี้มันชื่อว่าจิตเราก็นั่งดูมันดูมันดูมันไปสองหน้าต่างดูมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่า ดูไปจนตายมันก็เปื้อนเหมือนเก่าไม่ใช่ เ, เห็นจิตอย่างนั้นเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตเราวชงรู้ว่าอารมณ์ในบ้านมันเป็นยังไงมันเปื้อนยังไงแล้วก็ไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสถ้าไม่เข้าไปมันจะไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสได้ยังไงเมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วเราก็เสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั้นคือธรรมลมเป็นอารมณ์ที่ฝังรากเรือดอยู่จิตใต้สำนึกเราเป็นของเก่าเป็นสัญญานั่นแหละเราไปสะสางตรงนั้นถ้าเราเข้าไปตรงนั้นเรียกว่า มหาสติคบองคแล้วบางทีเราฝึกอนุสติแบบนั่งฌานนะสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆนะไปทีละฐานเริ่มจากฐานกายฐานเบธนาฐานจิตเข้าไปในฐานธรรมรลึกชาติได้ด้วยแต่ไม่แสดงออกทางกายภาพมันก็เป็นแค่สติปฐานสี่เป็นลำดับแต่สำหรับพระกูว่ายุคนี้ปฏิบัติแบบนั้นตายก่อนตายก่อน กระแสกรรมมันไล่เร็วมากกิเลมันขี่จลวดด้วยมันสะสางก็ดีกวา่าแต่ถ้าเราเข้าไปในธรรมการทำเราดูโมบมาแสดงกายภาพด้วยเนี่ยมันทําให้ฐานทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละสติปัฏฐานทั้งสี่ต้องบริบูตรกลายเป็นมหาสติปัฏฐานสติไปว่าเราลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมมาขี่จักรยานขาก็ขี่ไปมือก็จับแหนตาก็มองข้างหน้าเห็นไหม สติสัมปชัญญะต้อรู้ตพร้อไม่ใช่ไปกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นเป็นแค่ฝึกเด็กๆฝึกกีปีก ป, ปีก็อยู่ตรงนั้นพอกดมันไม่ก็สงบไงเวลานั้นเราพักความคิดระวางความคิดได้เราก็ว่างมันก็ความว่างชั่วกูุมันก็สงบชั่วกูุพอเลิกกดปุ๊บมันก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อไอ้รัฐที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ไงนะของเราพัฒนา ฐานทั้งสี่นี่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็โพชฌงทั้งเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำมึกเรามันเป็นบารามีเก่าเราถ้าไม่เข้าไปทั้งนั้นเราจะเดินโพชฌงได้ยังไงมีแต่พูดเรื่องโพชฌงเป็นทฤษฎีเป็นตัวหนังสือโพชฌงมีเจข้อสติสัมโพชฌงธรรมะวิทยาสำมโพชฌงก็พูดไปไม่รู้มันคืออะไรเมื่อกี้เมื่อคืนนี้ลิงสี่ตัวกําลังจเจริญโพชฌง ที่เรานหมุนเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆนนนนออาาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนา ม, ม, ามาๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆ ม, ม แ ต, แต่แรกมันก็ทําไม่ได้ยิ่งทําด้วยกลัวด้วยก็เกิดเงาล้างไงสติข้างนอกนี่เรียกว่าโลกิยาสติมันเป็นสติซึ่งไม่อิสระมันอยู่ภายใต้สมบุติบัญญัติประเพณีวัฒ น, นธรรมถ้าเมื่อคืนลิงสี่ตัวนั้นยังใช้สติปัจจุบันอยู่เขาไม่กล้าแสดงออกมันจะอายเขาจะว่าเราเป็นลิงเมื่อคืนทําไ ม, ไมเขาไม่กลัวว่าเป็นลิงเน่ยเขายินดีกับความเป็นลิงเลยเขาอิสระมาก แต่ถ้าใช้สติข้างนอกเนี่ยเต้นแหนเป็นการเหมือนลิงเลยแล้วก็ถูกต่อว่านะ่ยคือสติข้างนอกมันไม่อิสระและบางทีใช้สติข้างนอกใช้สมาธิข้างนอกเนี่ยไปไปป่นไปฆ่าไปเป็นโจร น, นี่คือสตินะถ้าโจรไม่มีสติไม่มีสมาธิมันป้นไม่สําเร็จนะแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญามันถึงเอาเครื่องมือสติสมาธิตอนนี้ไปเบียดเบียนคนอื่น มันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแต่พอเราเข้าไปในจิตปุ๊บเนี่ยเห็นหที่เราหมุนเร็วๆๆๆเนี่ยคล้ายๆว่ามันรวมเป็นหนึ่งเลยตอนนั้นน่ะเหมือนพายุทลรันโดเนี่ยจุดที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่ตรงกลางใ้าอยู่รัศมีมันมันถูกขอบถูกเปลี่ยงทิ้งหมดอ่ะมันอยู่ตรงกลางไงเพราะนั้นเราลงาไรมันก็แทรกเราไม่ได้ความคิดก็แทรกเราไม่ได้ นั่นละคือเอกคตาลงภาพการฝึกชานนั้นคือสูงสุดของฌานสแต่ถ้าจิตอยู่แค่ฌานสี่เฉยๆเนี่ยนะไปติดฌานอย่างนั้นก็ติดสุขในฌานมันก็ก้าวไปสู่วิปัสนาไปได้แค่เราหมุนเร็วอย่นี้เดี๋ยวมันปิ้งๆขึ้นมาทีละเรื่องนะนั่นคือวิปัสนามันก็เกิดนะนั่นคือกำลังจเจริญโพชฌงอยู่โพชฌงต้องอิสระ ข้ามพ้นมารยาทประเพณีวัฒนธรรมบุคลิกภาพศักดิ์ศิบ้าบอคอแตกไม่มีฉันจะเป็นหลีกฉันกำลังศึกษาอารมณ์ดึงอยู่แต่ถ้าายัางติดห่วงความรู้ข้างนอกกล้าทำไเมมาอกืนไม่มีทางนะใครมาใหม่ก่อนนะเดี๋ยวดูวดวนะเดี๋ยวพอเราจังหวะเฮ้เต้นอะไรลัมอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเห็นอารมณ์เราว่ามันเขินแล้วมันก็คิดอยู่เลยมาทาทาไม ปฏิบัติทำเป็นแบบนี้เหรอนั่นแหละวิปัสนาเกิดนเราเห็นกิเลสเราแล้วไงความอายก็กิเลสนะลิงไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักอายอ่ะพมไม่เขียนหนังสือเขาไม่เป็นด้วยคขาไมอายเขาไม่รู้มันเต้นกระโดดลิงโลดมันถึงเบาไงทุกวันนี้ที่เราหนักเพราะเราไปรู้ผิดนะก็ สติปฐานสีเนี่ยก็เป็นสูตรหนึ่งนะใบไม้กรรมเมื่อเดียวผู้เจ้าเอามาเนี่ยนะแค่ตัวอย่างรับมาแค่ใบเดียวทำามันจริงจริงจังนะแบบไหนก็ได้ทำเถอะอย่าไปอ้างฉลียนะอ้างฉรียเพื่อจะไม่ทำนั้นอันนั้นไร้สาระทั้งที่ทำตามเัลธรรมจริงๆเลยสิก็ไม่เคยทำจริงสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเราต้องข้ามพ้นเฉลิยนะ เดี๋ยวพอครูไล่ไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะเข้าใจนะมันจะลิงก์กันหมดก็อาวิชาความรู้ผิดคือต้นเหตุของทั้งหมดโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่า knowledge based society นะเป็นสังคมฐานความรู้ความรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการแข่งขัน เขาเรียกว่าอาวุธทางปัญญาตอนนี้แข่งกันด้วยฐานความรู้เลยเรียนรู้กันใหญ่เลยจบปัญญาเอกจบด็อกเตอร์ทางภาษ า, าศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาเนี่ยความรู้ไงนะความรู้ซึ่งบอกว่าชนะคือดีได้เปรียบทางการท้าคือดีเสียเปรียบไม่ดีแพ้ไม่ดี มีราดยศสรรเสริญคือความมั่นคงสิ่งเหล่านี้ในเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์แล้วถือว่าเป็นความรู้ผิดทั้งสิน้นอย่างทุกวันนี้เขาทำอะไรัหมรอบข้างเรามีประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพมา่าเวียดนามเรามีเพื่อนอยู่ในอาเซียนด้วยกันอะไรเนี่ยนะมือจับกันเช็คแฮนด์หือยกมือไหว้กันแต่ใจนั้นจ้องที่จะเอาเปรียบกัน ฉันได้ดุลการค้าเขาท่านั้นนี้ฉันเสียดุลการค้าแค่นี้แล้วมันจะสนิทกันเหรอโศนมาก่าเข้าหากันหมดแล้วสังคมแบบนี้มันจะสงบเย็นได้ยังไงแล้วไม่รักกันจริงเพราะว่าเราถูกความรุ่นบอกว่าได้เปรียบก็ดีไงเสียเปรียบไม่ดีเห็นไหมมันไปขัดแย้งกับทางไปพ้นทุกทางทางไปพ้นทางที่จะพ้นทุกนี่มัน ทางโลกบอกเอาเยอะๆดีไงอาทิตย์ก่อนพระคูเคยยกตัวอย่างนะตอนนี้ก็พูดอีกทีหนึ่งบางทีบางคนฟังสิ่งนี้เก่าๆเนี่ยสิบครั้งก็ยังเข้าใจไม่เหมือนกันนะนะเรื่องนี้มันเกิดจากกาลยมิตเราคนหนึ่งคือคุณหมอเป่าพูดได้ไม่เป็นไรมาเที่ยวสุดท้ายนี่ แกหลายวันแล้วจิตมันบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็งงไปหมดมันคืออะไรวันนั้นพระครูไปรุงเทพไปศูนย์ุงเทพเขาก็มามาช่วยงานที่นั่นสามวันเขาก็ถามพ่ะครูหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคืออะไรเดยนจะเป็นคุณหมอแล้วนะมาถามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรมันเป็นสมมุติไง มันไม่มีจริงาถามเด็กๆ เ, เหล่านี้นั่งอยู่ในกำลังสอบนะกําลังเตรียมตัวสอบลุกอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเราเรียนเลขคณิตใช่ไหมระหว่างเลขหนึ่งกับเลขห้าถามว่ามูลค่าของมันอันไหนมากกว่าทุกคนยกมือห้าค่ะเห็นไหมแล้วทําทไมเราชอบเป็นที่หนึ่งเวลาแข่งขันชอบเป็นที่หนึ่งแต่เวลาจะเอาเนี่ย จะเอาอเล็กค้าและถามวันหนึ่งกับห้าตัวไหนมันดีกันแน่เอาตัวไหนมันดีอคงความรู้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้ไงเวลาจะแข่งอะไรฉันต้องการที่หนึ่งแต่เวลาวิ่งไปแข่งกันมีทองคำสองกองกองนี้หนึ่งกิโลกองนึงห้ากิโลวิ่งเข้าไปห้ากิโลหมดเลยใช่ไหมแล้แ ล, แลจริงๆรแล้วไอห้ามันดีหรือว่าหนึ่งมันดี นี่แหละเป็นปัญหาของมนุษย์เพราะมนุษย์สร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมามันเลยเป็นเรื่องไงนี่เดี๋ยวเด็กๆสอบคณิตศาสตร์เนี่ยบวกผิดไม่ได้คะแนนหารผิดไม่ได้คะแนนคูณถูกได้คะแนนถูกผิดนี้ช่วงก็เกิดขึ้นไงพอสมมุติตรงนี้แล้วนี่เวลาเท่าไหร่ เวลากี่โมงอุ้ยไปสายแล้วถูกหักคะแนนถูกแม่ดา่าถูกเจ้านายดา่าก็ไอตัวเลขนี้ใช่ั้ยธรรมาชาติมันไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอมันสมมุติมันขึ้นมาพุ๊บตอนนี้เป็นเรื่องเลยทะเลาะ ก, กันทงโลกเพราะไอหนึ่งสองสามสี่ห้าไปคิดดูนะระหว่าหงหนึ่งกับห้าตัวไหนมันดีกันแนะ่เวลาแข่งกันที่หนึ่งดีกว่า แต่ว่าแบ่งของกันห้ามันดีกว่าแล้วจริงๆแล้วตัวไหนมันดีกันแน่นะนี่แหละความรู้ผิดที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันทําให้เรารู้ผิดก็เข้าใจผิดก็พูดผิดทําผิดมันก็ทุกข์สิทาอะไรผิดมันผิดศีลไงทุกข์แน่แน่ก็คําคถามต่อไปนะคําถามที่ว่าจะจัดการกับความคิดอย่างไร นะก็สองทิศที่ผ่านมาพว ก, กูก็เกินเรื่องเตา๋าคนเราเรียกว่าลัทธิเตา่าจริงๆแล้วเต่าไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะเขาไม่มีการจับตั้งก็ก็ขอต่อยอดเรื่องเต๋าให้เราพราะกูเคยพูดเรื่องเซนมาแล้วเซนเนี่ยที่เราเรียกว่าลัทธิเซนจริงๆแล้วเซนก็ไม่ใช่ลัทธิมันไม่ใช่ทั้งนั้นเราก็เรียกสิ่งที่เราทาอยู่ไม่มีชื่อเรียก วิจีพวกูวิจีพวกูชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อแต่คนเขาก็เคยจินเรียกว่าสมาธิเวียงเอาตั้งชื่อให้มันมันไม่มีชื่อคําว่าเวียงทิ้งคือกิริยาเฉยแต่เราคุ้นเคยแล้วว่าต้องเรียกชื่อได้สิเราติดบ่วงความรู้ว่าทุกอย่างไปตั้งชื่อให้มันเห็นไหมนี่คือองค์ความรู้ยุคนี้เพื่อตั้งปุ๊บเป็นอัตราตัวตนละหยาบเกินไปละนะก็ขอต่อยอดเต่อยเพื่อเอามาตอบคําถามนี้ว่าคําถามที่ว่า จะจัดการกับความคิดอย่างไรนะเต๋พูดว่าประเด็นไม่อยู่ที่เรื่องของความคิดแต่มันเป็นเรื่องของความปรารถนาเขาใช้คาว่าปรารถนาก็คือความอยากนั่นแหละความคิดเป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นจงฆ่าเจ้านายและคนรับใช้ก็จะหายไปการฆ่าคนรับใช้ไปเรื่อยๆ เ, เจ้านายจะนำคนรับใช้ใหม่ เข้ามาเรื่อยๆ เ, เข้าใจคํานี้ไหมทุกวันนี้เราแก้จากความคิดคือมีสตินะมีสตินะความคิดคือกิเลสคือเครื่องมือของกิเลสกิเลสมันคิดปุ๊บท่านมีสติรู้เท่าทันมันหยุดแค่ น, นั้นมันก็พัฒนาไปสู่ตัณหาไม่ได้ตัณหาคือความอยากคือความป่นาทะนะมันก็พัฒนาสู่อุปทานไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เกิด นะอันนั้นคือเราฆ่าคนชายเดี๋ยวมก็จะเอาคนใช้ใหม่ขึ้นมามันเป็นแก้ปลายเหตุเหมือนตอนนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็แก้ปลายเหตุคิดคิดคิดคิดไอหนึ่งสองสาี่ห้าน่ะคิดคิดคิดคิดคพวกนี้ฉันจะได้เท่าไหร่พรวกนี้ฉันจะตื่นกี่โมงก็หนึ่งสองสามี่ห้านั่นแหละคิดจนปวดหัวไปหาคุณหมอก็เอาเอายาพาลาไปกิน อันนี้ฆ่าคนใช้ยปวดหัวเป็นปลายเหตุต้นเหตุคือคุณคิดคุณสร้างมนโกนกรรมตลอดไอ้ปวดหัวนี่มันเตือนว่าเฮ้ยเบาหน่อยหนึ่งแล้วก็แก้โดยเอายาแก้ปวดไม่ให้มันรู้สึกปวดไม่ใช่มันไม่ปวดนะแค่มันไม่รู้สึกปวดตินไปนานๆแนะพัฒนาไปสู่ไมเกรนเป็นโรคความเครียบภูมิคุ้มกันตกต่ํามะเร็งตามมาทุกวันนี้เราแก้ปลายเหตุหมดเนี่ยเขาบอกว่าความคิด มันเปรียบเสมือนแค่คนรับใช้เจ้าหน่ายมันคือความปรารถนาก็คือตัวตันหาคือความอยากพระพุทธองค์ก็ตัดไว้ต้องสองพันกว่าปีแล้วทุกสมุทัยนี้โลดมากอะไรคือตัวทุกสำหรับพระกูแล้วเนี่ยสิ่งปุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติคุณไปหลงติดมันทุกหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็สิ่งปรุงแต่งนะ ที่มาของทุกข์คือตัวอยากแต่เต๋าเขาใช้คําว่าเขาใช้ภาษาที่ที่เพาะหน่อยหนึ่งเพราะกูเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นล่ะก็ต้องยืนภาษาเขาบอกว่าโดยคําพูดเขาบอกปรารถนาเราทําอะไรเรามีเป้าประสงค์เนี่ยฉันจะมาที่นี่ฉันปฏิบัติเพื่อรักษาโลกเนี่ยความปรารถนาอะไรไงไอ้จลิตไอ้อัตตาตัวนี้มันจะบล็อกทําให้เราไม่เข้าถึงปัญญานะ ่หลความคิดเป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นจงฆ่าเจ้านายและคนรับใช้ก็จะหายไปการฆ่าคนรับใช้ไปเรื่อยๆเจ้านายจะนาคนรับใช้ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะตันหาคือที่มาของทุกขต้นเหตุของตันหาคืออวิชชาความรู้ผิดของเราว่าเขาสอนว่าเรียนเก่งๆนะลูก เมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยจะได้มีความรู้หาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขนี่คือความรู้ผิดพราะผู้ถูกหลอกไปสี่สิบปีซื่อสัตว์มากคิดไม่พิวิว ไ, ไม่บัญย่าบัญยงเงินเต็มบ้านอยากได้เงินก็ได้เงินแล้วไงแต่หาความสุขไม่เจอมีของแถมมาอีกคือเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะไง รู้ผิดได้ยังไงเรามีเงินดีก็มีเงินเยอะก็ดีแล้วไงมันดีตรงไหนล่ะมันเครียดไงมันปวดหัวไงมันปวดท้องไงนั่นแหละความรู้ผิดมันบอก้วยแล้วก็ดีถ้าชาตินี้เราไม่รวยเราก็ต้องจนตลอดชีวิตเราก็เป็นคนไม่ดีสิเห็นไหมทําไมบางครั้งเอาเอาเบอร์หนึ่งบางครั้งจะเอาเบอร์ห ไหมคนวรามันสับสนนะก็ความคิดไม่เคยหยุดได้ด้วยตัวมันเองมันจะหยุดได้ต่อเมื่อจิตที่ปราถนาหายไปคือความอยากนั่นแหละนั่นเป็นความหมายของคำว่าอยู่นิ่งดีที่สุด นี่เป็นวิธีของเต๋ในคำพูดที่ว่าจงอยู่โดยปราศจากความปรารถนาคำนี้ก็มีคำถามตามมาอยูอย่เยอะแยะเลยนะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะถ้าเราไปฝึกโยคะถ้าเราไปฝึกโยคะอาจารย์โยคะเขาจะบอกวิธีที่จะให้ท่านนิ่ง วิธีที่ทำให้เรานิ่งเขาจะบอกท่านว่าท้าไหนจะช่วยให้ท่านอยู่นิ่งได้จะหายใจอย่างไรในจังหวะไหนที่ท่านจะนิ่งได้มากกว่าปิดตาอย่างเต็มที่หรือเพียงแต่มองที่ปลายจมูกของท่านเท่านั้นเขาจะแนะนำให้ข้อสังเกตแก่ท่านมีแผนที่ให้ท่าน เป็นชุดวิชาตายตัวโยคะไงช่วงนี้เราดูซีรีพระพุทธเจ้าเห็นไหมเจ้าชายยุทธะเนี่ยท่านไม่ได้ทิ้งลูกเมียนะท่านทิ้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยท่านวางไม่ได้ทิ้งออกไปสแสวงหาโมฆะธรรมได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ลูกไหนองค์ไหนท่านใดเข้าไปศึกษาหมด ไปเจอลูสีที่ว่าเก่งที่สุดนั่งสมาธิสูงสุดเลยเพราะองก็ปฏิบัติจนสูงสุดแล้วมันไม่พ้นทุกงัยเพราะมันมีรูปแบบจิตมันไม่เข้าไปถึงอิสามไม่ได้มันไปติดในฌานอันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะแต่ตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็สอนอย่างนั้นหมดที่ว่าเป็นลัทธิลูสีมีการกําหนดควบคุมมีสเต็ปมีขั้นตอนมีวิธีตายตัว มันถึงไม่ใช่ทางคนทุกนะน่นะถ้าเลยฝึกโยคะเขาจะแนะนําวิธีเหมือนคําถามใดจะถามมาคูว่ามีวิธีแบบไหนที่ทําให้เรายืนหมุนทรงตัวได้เห็นไหมถามมาแต่หาวิธีที่นี่ไม่มีวิธีที่นี่ไม่ใช่วิชาสอนไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกปฏิบัติทําเลยทําเองถ้าจิตอิสามเมื่อไหร่เดี๋ยวมันทําได้หมดล่ะแต่ถ้ายังไปหาวิธีอยู่ก็ต้องการฝึกไง คุณต้องหุนบ่อยๆเหมือนเต้นบัลเล่เต้นอะไรเนี่ยอาศัยความชำนาญอันนี้เป็นองค์วิชามันไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาของจิตจริงๆแล้วเนี่ยจิตเขาฝึกมาตั้งหลายชาติแล้วเขาไม่ต้องนับนั่งนับหนึ่งใหม่ขอให้เขาอิสระเขาเป็นเสือก็ได้เป็นลิงก็ได้เป็นนักเต้นบัลเล่ก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดเพราะเขาข้ามพ้นความกลัวตรงนั้นแต่ชาวเต๋อไม่มีแผนที่ใดๆเลย ความนิ่งเฉยที่แท้จริงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการฝึกใดๆเลยความนิ่งเฉยที่แท้จริงไม่ได้ออกมาจากการฝึกความนิ่งเฉยที่แท้จริงออกมาจากความเข้าใจความเข้าใจที่ว่าความปาถนะคือสิ่งที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยถ้าเราเกิดปัญญาเราเข้าใจแล้วว่าความปาถนะ หรือตัวตัญหานี่มันไว้สาละอะไรมากเลยนั่นแหละความสงบนิ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ฝึกสมาธิกดให้มันสงบสว่านตรนี้สติงแล้วก็กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้จนกดมันไว้เราไม่ได้ยังไม่ต้องยึมความคิดเลยมันก็สงบชั่วครู่มันบ้างจากความคิดมันก็วางชั่วครู่มันก็เกิดความสงบชั่วครู่พอเผลอพุ๊บลกโตชนปุ๊บเด่นถานเลยเห็นไหม บางคนเป็นนั่งกดมันไว้สามสี่ห้าสิบปีรู้ตัวตวัชมตึ้งออกไปเลยมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราแก้ที่ปลายเหตุเหมือนปวดหัวกินยาพารานั่นแหละพวกครูไม่ใช่พิสูจน์นะพวกครูไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ตั้งใจพิสูจน์นะทำมาจัดสรรให้เป็นอย่างนี้สี่สิปีวิ่งไปตามโลกแรงสุดนักเรียนเรียกพี่ลองทุกอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ต้องการเงินก็ได้เงิ น, ไ ด, งนได้เงินจริงๆแต่หาความสุขไม่เจอถูกหลอกไป4ี่สิบปีเห็นไหมเพราะมันเกิดอาการระเบิดปุ๊บจิตมันพลิกแค่นั้นเองแค่นั้นเอง27ปีสงบนิ่งยาพาราเม็ดหนึ่งก็ไม่ต้องกินเพราะมันไม่มีเหตุต้องคิดนั่นแหละมันฆ่าเจ้านายมันทิ้งแล้ว ความคิดมันเป็นแค่คนรับใช้มันจะไปคิดได้ยังไงมันเลยไม่ต้องคิดมันก็เลยไม่ต้องปวดหัวไงดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุอย่าไปกดสปริงไว้มาทำลายสปริงซะยื้อไมออกมันก็กลายเป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดเลยมันก็เด้งหยิ่งไม่ได้แต่ตอนนี้เราเรียนรู้แบบองค์วิชาไงวิชานั้นวิชานี้ เอาอุบายวิธีเทคนิคต่างๆไปตั้งเป็นแบรนด์เนมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นสึกแย่งชิงมวลชนกันทุกวันนี้น่ยเพราะคุณไม่เล่นเกมนั้นเพราะคุณเลิกเล่นเกมแข่งขันมาตั้งนานแล้วความนิ่งเฉยของชาวเต่าคําถามต่อไปนะจะไม่ทําให้เฉยชาเหรอความนิ่งเฉยไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรแต่ทําหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง แต่ปาศจากความปรารถนาทำเพราะทําอันนี้พ่อ ก, กูพูดเราเองนะพ่อ ก, กูทําอย่างนี้มานานแล้วแต่ช่วงหลังมาเออบังเอิญว่าต่อไปนี้เราต้องเปล่งภาษาคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการองค์ความรู้ ม, มีเหตุมีผลไม่เป็นไรพ่อ ก, กูไปอ่านหนังสือก็ได้อ่านเซนก็ได้อ่านเต๋าก็ได้ อ, ไดอ่านพระไตรปิฎกก็ได้อ่านศาสนาเนก็ได้แค่อ่านหนังสือ ก, ก, ก็รู้อะไรความรู้แบบนั้นง่ายมาก แค่ไปนั่งอ่านก็รู้แล้วไงแต่พอครูอ่านกับทุกคนอ่านความเข้าใจไม่เหมือนกันอ่านแล้วก็เอามาบอกว่าจับเฉพาะเนื้อหาแก่นเข้ามาเนี่ยมาพูดให้ฟังนะยี่ปีเราทําตรงนี้ไม่มีอะไรหลุด จ, จากทั้งเตาทั้งเซนทั้งพุทธมันไม่ได้หลุด จ, จากธรรมะนะความนิ่งเฉยไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไร แต่ทําอย่างหน้าที่อย่างขยันขันแข็งแต่ปราศจากความปรารถนาทําเพราะทำธรรมะคือหน้าที่ไม่สแสวงหาความหมายความนิ่งเฉยมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปแปรมันถ้าเรานิ่งเฉยได้เราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะเพราะคูเคยบอกเรามนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวที่สแสวงหาความหมาย ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่สแสวงหาความหมายมันพอใจในสิ่งที่มันเป็นพอใจในสิ่งที่มันมีเห็นไหมมนุษย์เราไม่พอใจเพราะเรามีกิเลสแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะในขณะเดียวกันเมื่อจากมนุษย์สแสวงหาความหมายละ่ะมนุษย์จึงเป็นสิ่งเดียวที่พ้นทุกข์ได้เช่นกันถ้าความหมายนะั้นมันถูกต้องทางเตาความหมายของเขาคือว่า เป้าหมายก็คือว่าเขาบอกว่าสงบนิ่งดีที่สุดบางคนบอกสงบนิ่งมันก็ขี้เกียจทีนี้เต๋อก็บอกว่าถ้ามีถ้าไม่มีทางเลือกระหว่างถูกตัวขี้เกียจครอบงำกับถูกอัตตาครอบงำเลือกอะไรเขาเลือกขี้เกียจขี้เกียจปลอดภัยกว่ามีอัตตาอัตตามันจะทำให้เราสร้างกรรมคนนี้มันขี้เกียจแม้กระทั่งสร้างกรรมมันไม่ขาดทุนนะ แต่ไม่ใช่ว่าเขายินดีว่าขี้เกียจโดวยเฉพาะศาสนาไหนๆก็ไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจโดวยเฉพาะพุทธเราสอนให้เรามีวิริยะแต่ถ้าขยันแบบโง้อง้อเนี่ยมันไม่สําเร็จนะพรา ก, กูขยันโง้อง้อแล้วเนี่ยเหมือนสําเร็จนะเงินเต็มบ้านอา้าวในแง่ชีวิตเราเนี่ยง้แล้วเสียเวลาชีวิตนั่นแหละในแง่ชีวิตเราโง่นะมันเก่งเรื่องหาเงินเฉย แต่การบริหารชีวิตให้ตัวเองทุกเป็นไมเตนนี่มันดีไหมเป็นลูกกระเพาะทุกวันนี้เป็นมะเร็งด้วยนะเยอะแยะเลยมันดีไหมมันไม่ดีงไงก็มีเตาพูดว่าอ๋อไม่ใช่น้ออันนี้ก็มีคำถามอางนอการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบควรทำอย่างไร การที่จะทำตัวให้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบควรทำอย่างไรเต่าพูดว่าอุดมคติเรื่องของความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นอุดมคติของคนที่ยึด ต, ตนเป็นศูนย์กลางยึด ต, ตนเป็นศูนย์กลางนะเอาจริตตัวเองเป็นที่ตั้งนะมีเรื่องเล่ามีชายคนหนึ่งเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบ นะเขาต้องการจัดแต่งงานแต่จะยอมรับผู้ที่ไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรเขาต้องการผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเขาเสียเวลาไปทั้งชีวิตชีวิตของเขาสูญไปเปล่าๆแต่เขาก็ไม่สามารถค้นหาได้แล้ววันหนึ่งเพื่อนของเขาก็พูดว่าตอนนี้ท่านอายุเจ็ดสิบปีแล้ว ท่านค้นหามาทั้งชีวิตของท่านแต่ท่านไม่สามารถหาผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบพบแม้แต่คนเดียวเขาพูดว่าจริงๆแล้วครั้งหนึ่งฉันเคยพบกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเพื่อนจึงถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะชายคนนั้นตอบอย่างเศร้าสร้อยว่า เกิดอะไรขึ้นนั่นหรือผู้หญิงคนนั้นก็กำลังมองหาผู้ชายที่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจคำว่านานาจิตตังนัยยะของความสงบนัยยะของความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างนะ การประกวดนางงามจักรวาลใช่ไหมต้องการที่หนึ่งใช่ไหมแต่ที่หนึ่งกรรมการเข้าอะไรมาวัดนะการประกวดนางงามจักรวาลคณะกรรมการกลับใช้แค่สายตาเท่านั้นไม่ยอมให้ประสาทรับความรู้สึกอื่นใดทํางานเลยท่านเพียงแค่ใช้สายตาเท่านั้นมองไปที่สัดส่วน ของสรีระร่างกายพวกกรรมการไม่ได้มาดมกลิ่นกายนะนี่เป็นเรื่องที่โง่ามากเป็นความโง่อย่างพื้นฐานที่สุดผู้หญิงอาจจะมีสัดส่วนร่างกายที่งดงามแต่อาจจะมีกลิ่นตัวหลอนอาจมีสัดส่วนที่เหมาะสมแต่อาจจะมีเสียงที่ไม่เหมาะสม มีน้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมเอาก็น่าจะถูกจัดว่าไม่งดงามมีบางสิ่งขาดหายไปในการประกวดนางงามจริงๆแล้วน่าจะต้องขึ้นอยู่กับประสาทรับความรู้สึกทั้งห้าทำไมปล่อยให้สายตาเป็นผู้ตัดสินนี่มันเผด็จการชัดๆเพียงแต่สายตาก็สามารถตัดสินชีวิตทั้งหมดได้ ที่ท่านไม่มีความสุขก็เพราะว่าประสาทรับความรู้สึกอันหนึ่งได้กลายเป็นจอมเผด็จการจริงๆแล้วในชีวิตของท่านควรจะเป็นประชาธิปไตยในร่างกายของท่านประสาทรับความรู้สึกทั้งหมดควรจะได้รับอนุญาตให้พูดในสิ่งที่พวกมันต้องการจะพูดและท่านก็ควรจะฟังมันทั้งหมดเลย หลายคนมีโอกาสแต่งงานกับนางงามจักรวาล น, นะเมืองไทยเราก็มีนะชีวิตคู่ก็ไปไม่รอดหมดพอตอนนั้นเรามองแค่สายตาเป็นตัวตัดสินเราจึงทุกข์ไงโอ้สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แบบเลยเพราะเรามองเรื่องสรีระร่างกายเรื่องสัดส่วนเขาเฉยๆพออยู่ด้วยกันได้อยู่ไปไม่รอดไงเห็นไมมนุษย์เราทุกข์เพราะอย่างนี้ไง นะอยนายตนะทั้งห้าทั้งหมดมันต้องไปด้วยกันเห็นไหมแล้วก็ก็สรุปนะที่นี่ก็มีสตรีนะก็มีบุรุษด้วยเดี๋ยวฟังแล้วหวดถูนะฉันไม่สมบูรณ์แบบถ้าท่านจะรักท่านต้องรักคนคนนั้นพร้อมกับข้อจํากัดของเขาท่านไม่สามารถหาคนที่สมบูรณ์แบบได้หรอก ความสมบูรณ์แบบนั้นยังไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงคำสอนของข้าพเจ้านั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบแต่เพื่อความเป็นทั้งหมดผู้ที่มีความเป็นทั้งหมดเป็นคนที่งดงามผู้ที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ตายแล้วเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีในโลกนี้นั่นแหละ คนสมบูรณ์แบบถ้าประกวดนางงามต้องเป็นที่หนึ่งเราชอบคนเป็นที่หนึ่งแต่เวลาอยู่ด้วยกันมันมีหนึ่งบาทมันน้อยกว่าห้าบาทหนึ่งบาทไม่พอกินมันก็เลยทะเลาะ ก, กันมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในแง่ชีวิตเราในแง่ร่างกายเรามันคือทั้งหมดไม่ใช่อยู่ฐานกายอย่างเดียว ฐารเวทนาไปนั่งดูอสุภะไปดูซากศพให้มันเกิดสังเวชเวทนานะจนอาเจียนออกมากินไม่ได้น้อยไม่หลับสามสี่วันพอลืมไปอาทิตย์หนึ่งก็สวยสวยงามเหมือนเก่าไม่อยู่ที่หลงจิตอย่างเดียวพวกหลงไปในจิตอยู่ในฌานของจิตนี่เรียกว่าจิตนิยมชีวิตเราตอนนี้สุดตรงเอาอะไรก็เอาอย่างเดียวนะ วิชาการก็เหมือนกันเรียนแข น, นเดียวแก้ปัญหาเรื่องนี้โผเรื่องนี้เห็นไหมกินยามากๆเกิดสารตกค้างที่พระครูพูดอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้หมายของว่าคุณหมอเป็นคนไม่ดีคุณหมอต้องเป็นคนเก่งมากไม่งั้นเรียนหมอไม่ได้เขาเลือกคนเรียนเก่งที่สุดเนี่ยจะเป็นหมอที่จริงเราไม่ต้องกลับกันนะนะโลกนี้มันตาลปัดแล้วเราคนเก่งที่สุดขยันที่สุด มารักษาปลายเหตุเราคนที่เรียนอะไรไม่เก่งเลยก็ไปเป็นคนไปเป็นครูไปเป็นผู้บริหารทําให้คนเครียดคนไม่สบายเพราะอะไรเพราะอาชีพหมอทุกวันนี้หาเงินง่ายเราตีกลับไหมหมอให้เงินเดือนน้อยๆใครเป็นก็ได้เรียนไม่ยากหรอกแต่ไม่เข้ายากแค่เรียนไปรู้วิธีใช้เครื่องมือเฉยๆแล้วก็วินิจฉัยโรคเอ้ายาไปลอง ผิดแล้วก็ลองใหม่เราคนเก่งๆมา บ, บริหารเนะี้ทุกคนไม่เป็นใขรดีไหมตอนนี้คนล้นโรงพักคนล้นคุกล้นโรงพยาบาลมันไม่ใช่ยุคศรีวิไลเป็นยุคที่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะตั้งแต่มีโลกใบนี้มาเป็นยุคที่ตกต่าที่สุดในมวลมนุษย์เสียชาติไม่ใช่ยุคศรีวิไล ถ้ายุคศิวิไลจิจริงเนี่ยต้องไม่มีคนไทยต้องไม่มีคนติดคุกอันนี้คุกเมืองไทยไม่มีที่นอนนะกลางคืนต้องนอนตะแคงเงี้ยปวดฉี่แค่ไหนต้องอดทนถ้าทนไม่ได้ลุกขึ้นมาปุ๊บคืนนั้นยืนเลยนี่ไงมันจเจริญจริงเหรอโรงพยาบาลสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นยุคที่ ตกต่ำที่สุดของมวลมนุษยชาติเราความเก่งความสามารถเราไปสร้างเทคโนโลยีไปสร้างวัตถุมาบำเลอสนองตัญหาเราจึงเครียดกันไปหมดไงเป็นโรคภัยเขาก็วิ่งหาวิชารักษานะเ ด, เด็กที่เรียนเก่งๆของโร ง, ง, งเรียนเราผู้กูเลือกมานะเขาตั้งใจเขาสอบหมอได้เลยนะ พอกูก็ให้ข้อมูลพาไปเชื่อโรงพยาบาลพาไปดูเขาบอกไม่เป็นหมอแล้วไม่ใช่หมอไม่ดีนะหมอหน้าสงสารมากในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่สถานที่รักษาโรคแต่เป็นสถานที่แพร่เชือ้อพาตัดแติดเชือ้อติดเชือ้อ อยู่ข้างนอกไม่ได้ติดเชื้อไปข้างในติดเชื้อหมอหน่าเห็นใจนะหมอต่อหนลงคนงพยาบลงพยาบาลจังหวัดประจําจังหวัดโงพยานใหญ่ๆโระจําบาลใหเนี่ยอูยอะไรกันนักหนาพ่อครูพ่อคูไปเห็นแล้วว่าถ้าใครไม่อยากไปโรงพยาบาลจําแม่นๆทําให้ตัวเองแข็งแรงนิดหนึงก็ไปนิดหนึงก็ไปมันจะเลี่ยมสมุกนะ ไม่จำเป็นอย่าไปรบกวนคุณหมอเขา ง, งานเขาก็เยอะอยู่แล้วนิดเดียวก็ไปนีดด่จะไปแล้วก็สบายใจสบายใจบางทีไม่เป็นอะไรเลยโลกอุปทานพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลยังไม่เจอหมอเล ห, หายแล้วเห็นั้ยเนี่ยโลกอุปทานนี่สำคัญมากนั่งอยู่เฉยๆบังเอิญไปคิดถึงเรื่องเก่าขึ้นมานอนไม่หลับนะนอนไม่หลับความดันก็ขึ้น ความดันขึ้นก็เครียดนี่เรียกว่าโลกอะไรโลกอุปทานนะเป็นมะเร็งอยู่ดีๆอะเป็นมะเร็งดีได้ยังไงเป็นมะเร็งอยู่ดีๆพอไปเปลีปุ๊บเป็นมะเร็งปุ๊บซึบเลยที่เขาซุบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นมะเร็งนะเป็นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเ้าบอกทาสานทาสานเธอเป็นมะเร็งจะเป็นมะเร็งมันไม่รู้เรื่องมันนั่งเฉยนะ ที่เราทุกเพราเรารู้ไงแต่เรารู้ผิดเรารู้ว่ามะเร็งโอกาสตายมันเยอะเพราะเรากลัวตายไงผู้คูยถึงบอกว่าเราฝึกทุกเช้านะมรณานุสติกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายตายแน่ๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะตายแน่ๆ มันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองไปกลัวมันทำไมสู้ความจริงมันตายอยู่แล้วมาเตรียมตัวตายตายแบบยิ้มไปเลยตอนนี้ไม่ได้เตรียมตัวรวยกันแล้วไปถูกความรู้ว่าสอนมึงสร้างฐานะสร้างฐานะถ้ารวยแล้วจะจะมั่นคงจะมีความสุขพวกคูถูกหลอกไปคนหนึ่งละหาความสุขไม่เจอมีแต่ความว่างเปล่า พวกเราบุญเยอะแล้วถ้าบุญไม่เยอะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะยีิบสี่ชั่วโมงของเราทําอาชีพไหนก็ช่างนะ่ะแก้ปัญหาตัวเองยังไม่พอเลยเพราะเกมเราเล่นอะไรเล่นโกลอฟเกมภาษาอังกฤษเล่นเกมมั่งคั่งล่ํารวยนะ่ะเขาเรา GDP ไงเราไม่ได้เล่นเพื่อชีวิตรเราเล่นเพื่อสร้างตัวเลขเพอตัวเลขเยอะเขาไปอุ่นใจว่าอู้ฉันมีเยอะละ อู้ดีใจว่าฉันมีเยอะแต่บางครั้งไม่เคยใช้เงินนะีไม่เคยใช้เงินที่มีเยอะเนี่ยมาแบ่งปันมาทําบุญเลยนะมาดีใจว่าฉันมีเงินเยอะมันของเกยทั้งนั้น น, ะน่ะเนาะนะก็สรุปนะเรามีบุญเยอะละมันก็เรามีเวลาที่ไหนมามาทำเรื่องถ้าในแง่หาเงินมันไม่มีศาระหรอกบางคนอยู่ไปอยู่มาปฏิบัติดีๆเนี่ยมันมันครอบงามในออกไปข้างนอกว่าเฮ้ อยู่ที่ศูนเนี่ยเดี๋ยวตายฟรีกิเลสมันเก่งมากนะเพราะกลัเออดีนี่คือธรรมะเขาไม่ได้พูดอะไรผิดอยู่ที่ศูนย์เนี่ ย, ยตายฟานะรีนะเพราะมันไม่ได้อะไรเห็นไหมเมื่อคืนพระบรมู้ดเจ้าว่ายังไงเห็นไหมสาวกก็ถามว่าพราะองค์นั่งสมาธิได้อะไรพระองค์ไม่ได้อะไรพระองค์สูญเสียอัตตาไปสูญเสียความกลัวไป สูญเสียความทุกข์ไปไม่ได้อะไรงไงที่นี่เราตายฟรีนะเราจะไม่ได้โพ ก, กทระซับเลยถ้าไม่พร้อมออกไปซะแต่ออกไปข้างนอกระวังนะเพระครูก็เตือนนะอยู่ข้างนอกอาจจะตายเปล่าตายเปล่านะไม่มีเวลาสร้างอริยทรัพย์เลยอันนั้นอยู่ข้างนอกตายเปล่าอยู่ที่ไม่ใช่อาจจะตายฟรีนะไม่ต้องอาจตายฟรีจริงๆเดือกเอา จะตายฟรีหรือตายเปล่าตายอยู่แล้วมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองถ้าเราฝึกอะรนยคับไม่รู้ละเพราะครูหลายปีมานะที่นี่เผาไปไม่รู้กี่ศพละถ้าใครตายที่นี่เผาปุ๊บตัวแข็งปุ๊บไม่เผาให้เอาไปเผาที่อื่นเสียชื่อศูนย์นั่นแหละตายดีไง ตายแบบสงบเย็นเลยไปสู่สุคติเห็นไหมนะยังไม่สายเกินไปนะนะยังกลับลำทันนะอยู่ที่นี่ตายฟรีนะแต่อยู่ข้างนอกก็เตือนเลยนะอาจจะตายเปล่าก็ได้โอเคนะเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อยไปนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณประสีรัตนาตาย และสิ่งศักดิ์สทธ์ทั้งหลายในสากรจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติธปฏธิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอน